บุกทูเจ็ดสิบเซเดกชอบอยากเดซิริอิออนคุณอยากสูบบุหรี่ไหมชูวีเดซิรัสฟูมิคุณอยากเต้นรำไหม คุณอยากไปเดินเล่นไหมชวินิที่ฉันอยากจะสูบบุหรี่รคุณอยากได้บุหรี่สักมวลไหมชเ ร, รเเขาอยากได้ไฟแช็ก ดิฉันอยากดื่มอะไรหน่อยมี desidero i n r i n k i ดิฉันอยากทานอะไรหน่อยมี desidero i n mangi ดิฉันอยากพักผ่อนหน่อยมี desidero i n riposi ดิฉันอยากถามอะไรคุณหน่อยมี desidero di un domandi alvi ดิฉันอยากขอร้องอะไรคุณหน่อยวีเดซิรัสเอียนเฟตสเดวิดิฉันอยากจะเลี้ยงคุณวีเดซิรัสอัลไอโออินฟิติวินคุณจะรับอะไรดีคะเคยวีเดซิรัสเฟตสคุณจะรับกาแฟไหมคะชูวีเดซิรัสคาฟอน หรือว่าคุณจะรับชาดีคะ oh, เราอยากจะขับรถกลับบ้าน hey คุณต้องการรถแท็กซี่ไหมพวกเขาอยากโทรศัพท์